วักที่สิบห้าว่าด้วยความสุขสุขะวัคววันนาต่อข้อที่หนึ่งความสุขท่ามกลางความทุกข์พระพุทธภาสิสุสุ ข, ขังวัตชีวามะเวริเนสุอเวริโนเวริเนสุมนุษย์เสสุวิหารามะอเวริโน สุสุขังวัตชีวามะอาตุเรสุอนาตุราอาตุเรสุมนุษเสสุวิหารามะอนาตุราสุสุขังวตชีวามะอุตสุเกสุมนุษสุกาอุตสุเกสุมนุษเสสุวิหารามะมนุษสุกาแปลว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีเวรต่อกันเราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่สบายจริงหนอ เมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีความเดือดร้อนกันเราเป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อนอยู่สบายจริงหนอเมื่อมนุษย์ทั้งหลายขวนขวายกันมากเราเป็นผู้ไม่ขวนขวายอยู่สบายจริงหนอพระพุทธภาสิทธินี้ไม่ได้หมายความว่าให้หาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเพื่อความสุขของตนเองแต่หมายถึงให้รู้จักทาใจให้สงบไม่จองเวรกับใครใครจะจองเวรกับใครก็ช่างเขา เราไม่จองเวรใครจะเดือดร้อนเพราะกิเลสเผาผลาญก็ช่างเขาเราไม่เดือดร้อนใครจะกระเสือกกระสนวุ่นวายก็ช่างเขาเราเป็นผู้สงบเป็นผู้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้เราจึงอยู่สบายจริงหนอมองโลกมนุษย์สมัยปัจจุบันนั้นก็ยิ่งแหลเห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายต่างมีเวรกันจองเวรกันมีความเดือดร้อนเพราะกิเลสกันและ มีความขวนขวายสแสวงหากามาคุนกันเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีเดือดร้อนเมื่อไม่ได้ได้มาแล้วก็จมอยู่ติดอยู่ในการสแสวงหานั้นก็ต้องชิงดีชิงเด่นกันใครดีใครได้ใครมือยาวสาวได้สา ว, สาวเอาโลกปัจจุบันเป็นโลกที่อยู่แล้วเหนื่อยที่ว่าเหนื่อยก็เพราะปัจจุบันนี้มีปัญหาและมีเหตุการณ์ที่สับสนหรือไม่น่าไว้ใจเกิดขึ้นแทบทุกขณะจิต ความพยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้แก่ตนเองหรือแม้แต่ความพยายามที่จะติดตามเหตุการณ์อันสับสนและไม่น่าไว้วางใจต่างๆนั้นให้ทันทีก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเหนื่อยทั้งทางกายและทางใจได้มากเสแล้วเมื่อเหนื่อยมากเข้าคนก็พยายามที่จะแก้ความเหนื่อยของตนด้วยการวางเว้นการงานที่ต้องทาอยู่เสียชั่วคราว ไปเที่ยวเตะพักผ่อนหย่อนใจหรือย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งวิธีนี้ก็ดีอยู่แต่ดูมันจะแก้ความเหนื่อยได้ไม่มากเพราะเป็นการหนีโลกปัจจุบันไปสู่โลกปัจจุบันนั่นเองในอีกด้านหนึ่งซึ่งแปลว่าหนีได้ไม่ไกลนักและก็จะหายเหนื่อยได้น้อย ความเหนื่อยใจเป็นสิ่งที่แก้ได้ยากกว่าความเหนื่อยกายและทุกครั้งที่มีความเหนื่อยใจสุขภาพจิตก็เสื่อมโทรมลงไปด้วยความเหนื่อยกายเมื่อหยุดพักผ่อนพอหายเหนื่อยแล้วสุขภาพกายจะดีขึ้นแต่ความเหนื่อยใจไม่เป็นอย่างนั้นความเหนื่อยใจเป็นการสั่งสมอาสะวะเข้าไว้ภายในจิตทุกครั้งไปอาสะวะคือความเศร้าหมองที่หมักหมมอยู่ในดวงจิต ขอให้นึกถึงกองขยะที่คนเอามาทิ้งสุมกันไว้อาจจะกลายเป็นปุ๋ยได้อาสะวะก็เหมือนกันเมื่อสังสมมากเข้าก็กลายเป็นปุ๋ยให้กิเลสใหม่เจริญงอกงามได้เป็นอย่างดีเมื่อเกิดความเหนื่อยใจขึ้นความท้อแท้ในการทำความดีก็เกิดตามมาด้วยความท้อแท้ในการทำความดีเป็นเหตุให้อยากทาความชั่วอยากตายอยากให้รถชนกัน อยากกินเหล้าเมายาสารพัดอยากที่จะทำอะไรให้มันตรงกันข้ามกับความดีสาเหตุมาจากความเหนื่อยใจคนต้องจองเวรกันต้องทะเลาะวิวาทกันคอมเมนกันก็เพราะมีความเหนื่อยใจเป็นทนอยู่แล้วเหมือนมีปุ๋ยอย่างดีพอเอาเมล็ดพืชอย่างดีลงไปมันก็จเจริญเติบโตให้เห็นได้ไหนไม่ช้าหรือราดน้ามันไว้ทั่วแล้วพอโยนไม้กีดไฟ ที่มีไฟลงไปก็พรึบขึ้นมาทันทีมนุษย์เรามีอัศมิมานะอยู่ด้วยกันทุกคนอัศมิมานะหรือความรู้สึกที่เป็นตัวปมเขื่องอันนี้เองที่เป็นมูลเหตุสําคัญขั้นรวบยอดของการทําความชั่วการทําความดีหรือทั้งทำบุญและทําบาปแต่เป็นความตรงกันข้ามกับการเข้าถึงพุทธธรรมหรือนิพพานโดยตรง อัตมิมาณะหรือปมเขี่องนี้เป็นทั้งมูลเหตุและเป็นทั้งปัจจัยเครื่องสนับสนุนจันลงใจอันแรงกล้าที่สุดที่ทำให้สัตว์มีความยึดมั่นและพยายามรักษาความมีตัวและความเด่นของความมีตัวหรืออาหางการไว้อย่างมั่นคงเมื่อสัตว์นั้นรักษาหรือสงวนความเด่นของตัวโดยไม่คำนึงถึงการรักษาของผู้อื่นบ้างการกระทาอันนั้น ก็กระทบผู้อื่นและเราเรียกกันว่าการทำชั่วหรือทำบาปหรือการประกอบอาชญากรรมแล้วแต่กรณีแต่ถ้าเขามีความรู้ความฉลาดอยู่ส่วนหนึ่งในการรักษาความมีตัวของเขาแม้เพื่อตัวของเขาเองก็กลายเป็นความดีหรือเป็นการทำบุญกุศลไปดังเราจะเห็นได้ในรายที่คนบางคนทำบุญจนหมดเนื้อหมดตัวในทางทรัพสมบัติก็เพื่อ ไปมีตัวหรือมีความเด่นของตัวอีกทางหนึ่งเพราะอำนาจอสมิมาณนะหรือด้วยอำนาจความดันของปมเรื่องนี้หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอหังการหรือเลยไปถึงมะมังการอันนี้เป็นให้ความหมายว่ามาจากวาทะของท่านพุทธทาสหรือหลวงพ่อพุทธทาส ม, มังการคือการทําความยึดถือว่าของตนเป็นของเนื่องเป็นอันเดียวกันกับอาหางการอย่างที่จะแยกกันไม่ได้คือเมื่อมีอาหางการหรือความยึดถือว่าตัวตนแล้วความยึดถือว่าของตนก็ไม่ไปไหนเสียจะต้องอยู่เป็นเงาตามตัวกันอยู่เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ทําการยึดถือตัวตนนั่นเองว่าเป็นของตนส่วนการยึดถือสิ่งของภายนอกเส้นบุตรภรรยาเป็นของตนนั้น เป็นมะมังการชั้นล่างๆที่อ่อนหรือรองลงมา เ, าเรียกว่ามะมังการแล้วแต่กรณีแต่แล้วก็ไม่พ้นจากการที่จะก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากแก่สังคมอยู่ตามเคยเมื่อสิ่งทั้งสองนี้คือทั้งทำชั่วและทำดีล้วนเกิดมาแต่ความผลักดันของความรู้สึกในปมเขื่องของตนเช่นนี้แล้วความมัวเมาในเรื่องทั้งสองนี้ก็มีได้เป็นได้เท่าเทกัน มีความรุนแรงอย่างเดียวกันเพราะมาจากต้นตออันเดียวกันกล่าวคือสัญชาตญาณแห่งการหล่อเลี้ยงรักษาปมเขื่องของตัวตนนั่นเองเพื่อรักษาปมเรื่องไว้นี่เองทำให้มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นนักหนาและข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของมนุษย์ในโลกในฐานะโลกิยชนนั้นไม่มีอะไรคุ้มเหนื่อยสักอย่างเดียว ความพยายามเพื่อการบรรลุธรรมอย่างเดียวเท่านั้นมีผลคุ้มเหนื่อยส่วนในทางตรงกันข้ามท่านพุทธทาสภิคุกกล่าวต่อไปก็คือการบรรเทาความรู้สึกดังกล่าวนั้นลงไปเสียหรือถึงกับนําออกจากสันดานจนหมดสิน้นไม่มีสัญชาตญาณในการยึดถือปมเขืองเหลืออยู่การทำเช่นนี้เรียกตามโบหารพระศาสนาว่าอัตมิมานัสสวินโย เป็นการทำจิตไม่ให้ตกอยู่ภายใต้ความเป็นทาตของการเลี้ยงรักษาปุ่มเขื่องของตนไว้จึงนำไปสู่สารติอันแท้จริงหรือนิพพานอย่างที่พระองค์ได้ตัดไว้ว่าอัศมิมานัสสวินโยเอตังเวประมังสุ ข, ขังซึ่งแปลว่าการนำออกเสียได้ซึ่งอัศมิมานะเป็นความสุขอย่างยิ่งบรมมาสุขในที่นี้คือนิพพานนั่นเอง ปมเรื่องนั้นคู่กับปมด้อยคือความรู้สึกตนว่าต่ำกว่าเขาแต่ท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่าแต่ที่จริงนั้นปมด้อยไม่มีมีแต่ปมเรื่องที่ลดตัวลงไปอยู่ระดับต่ำเช่นเดียวกับที่ตามความจริงนั้นในโลกนี้ความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนที่อยู่ในระดับต่างๆกันเท่านั้นซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าแม้ระดับที่หนาวเป็นน้าแข็งคือศูนย์องศาเซลเซียสนั้น ก็ยังมีความร้อนอยู่ถึง31องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งยังเป็นจุดที่อยู่สบายสำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามขั้วโลกเหนือถ้าปราศจากความร้อนโดยสิ้นเชิงแล้วสิ่งมีชีวิตต่างๆที่มีอยู่ในโลกก็มีไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าปมด้อยก็เช่นเดียวกันที่แท้ก็คือปมเครื่องในระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพราะมันยังเอาไปใช้ค่มสัตว์ตัวอื่นที่รองลงไปได้อีกมากมายหลายชั้น อันเฟ d ด d แอดเลอร์ผู้บัญญัติคำว่า i n f i r i t y complex วงเล็บซึ่งท่านน no มอสบัญญัติแปลคำนี้ว่าปมด้อยนั้นมีความเห็นว่าปมด้อยเกิดขึ้นเพราะตนถูกกีดขวางไม่ให้เด่นส่วนซิกมันฟรอย์อาจารย์ของแอดเลอร์เห็นว่าปมด้อยเกิดขึ้นเพราะการข่มอารมณ์รวมความว่ามนุษย์เรามีปมอยู่สองปมคือปมด้อยกับป ม, บปมเรือง เหมือนความร้อนกับความเย็นความสูงกับความต่ำวงเล็บความจริงความต่ำก็คือความสูงในระดับหนึ่งนั่นเองเรื่องความสูงความต่ำความมั่งมีความยากจนนี้ความจริงมันก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบแต่เป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้คนเหนื่อยกระเสือกกระสนวุ่นวายชิงดีชิงเด่นเพิ่มเติมอัสมานะที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นแล้วก็ขัดแย้งกันทะเลาะกันเพื่อรักษาความเคืงของตนเอาไว้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละทั้งสองอย่างคือทั้งปมด้อยและปมเรื่องเพื่อจะได้ไม่ต้องนำตนไปเทียบกับใครและนำใครมาเทียบกับตนอันเป็นเหตุให้เกิดมานะว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาเพราะการรู้สึกว่าดีกว่าเขาสูงกว่าเขานั้นทำให้ทนองตนยกตนข่มผู้อื่นเมื่อรู้สึกตนว่าเสมอเขาเป็นเหตุให้แข่งดีกัน ถ้ารู้สึกตนว่าต่ำกว่าเขาก็จะมีความน้อยเนื้อต่าใจดูหมิ่นตัวเองจนเกินเหตุเพราะฉะนั้นทัศนะของพระพุทธเจ้าจึงให้ทะลุทุกอย่างทั้งปมด้อยและปมเขืองจะได้ไม่ต้องทะเลาะกับใครพระาศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตเรื่องนี้เพราะทรงปรารบ ก, การทะเลาะกันของพระญาตมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ขณะนั้นพระาศาสดาประทับอยู่ที่แคว้นสกกะ พระชาติภูมิของพระองค์เองเจ้าสากยะพระญาติฝ่ายพระบิดาและเจ้าโลกิยะพระญาติฝ่ายพระมารดาทาเขื่อนกั้นน้ำที่แม่น้ำโลหินีขังน้ำไว้ทานาระหว่างนาครกบิลพั์กับนครโกริยะถึงต้นเดือนเชตถะวงเล็บคือเดือนเจ็น้าแห้งข้าวกล้าเหี่ยวพวกก ร, รมกรของนครทั้งสองมาประชุมกันชาวโกริยะกล่าวขึ้นก่อนว่า น้ำที่เหลืออยู่ในที่ขังนี้ถ้าแบ่งกันคนละครึ่งก็ไม่พอแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสักฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจงให้เราก่อนเถิดเพราะข้าวกล้าของเราจะเจริญงอกงามต่อไปได้นั้นก็ด้วยน้ำนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นชาวสกยะจึงว่าเมื่อฉ้างข้าวของพวกท่านเต็มปีอยู่พวกข้าพเจ้าไม่มีแก้วแหวนเงินทองมีแต่กระเช้ากับกระสอบไปขอข้าวของพวกท่านอย่างนั้นหรือข้าวกล้าของพวกข้าพเจ้า ก็จะสำเร็จผลด้วยน้ำครั้งนี้เหมือนกันพวกท่านจงให้น้ำนี้แก่พวกข้าพเจ้าเถิดเราให้ไม่ได้พวกโกริยะว่าเราก็ให้ไม่ได้เหมือนกันพวกสักยะยืนยันเมื่อโต้เถียงกันมากขึ้นก็มีการตีกันด่ากันถึงชาติตระกูลพวกกรรมกรชาวโลกิยะกระทบเอาก่อนว่าจงพาเด็กสาวก บ, บินพัฒไปเสียเถิดช้างม้าโลของพวกคนที่สมสู่กันเองระหว่างพี่น้อง เหมือนสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกจะทำอะไรพวกเราได้ด่ากันถึงโคตนเลนะฝ่ายกรรมกรชาวสากยะก็ด่ากลับไปเหมือนกันว่าพวกเจ้าจงพาพวกเด็กขี้เรื้อนกลับไปเสเถิดพวกใดวงเล็บเดิมทีไม่มีที่พึ่งเที่ยวพระเนจรอยู่ตามใต้ต้นกระเบาเหมือนสัตว์เดรัจฉานช้างมาโลกของคนพวกนั้นจะทำอะไรเราได้เรียกว่าขุดเอาต้นโคตมาด่ากัน เรามีความหมายที่ว่าตามตำนานพวกักยตวงศ์เมื่อพากันไปสร้างเมืองใหม่ที่ป่าไม้ศักนั้นได้สมสู่กันเองระหว่างพี่น้องเหลือพี่สาวคนโตวไว้คนหนึ่งเพราะไม่ครบคู่ทั้งหมดมีเก้าพระองค์ด้วยกันอีก8พระองค์ทรงจับคู่สมรสกันเองอันนี้ในพุทธประวัติเล่มหนึ่งที่เราเรียนนักธรรมตรีนี่ฝ่ายนั้นก็เลยยกเอาอันนี้มาด่ากัน แล้วพวกที่สองก็ตามตำนานว่าต่อมาพระพี่นางองค์ใหญ่ที่ได้รับการยกย่องให้อยู่ในฐานะมารดาของพระราชกมาุมารกุมารีสักยบโ์นั้นทรงประชวนเป็นโรคเรื้อนพวกน้องๆจะไปสร้างที่พักให้อยู่อีกแห่งหนึ่งไกลออกไปเพราะกลัวการติดต่อบังเอิญพระราชากรุงพระณศีพระองค์หนึ่งพระนามว่ารามะประชวนเป็นโรคเรื้อนเหมือนกันทรงสละราชสมบัติให้พระราชโอรสเสด็จ แล้วเสด็จเข้าป่าเวรษผลไม้รากไม้บางอย่างคงจะเป็นยาโรคเรื้อนจึงหายไปมาพบเจ้าหญิงปิยาแห่งสักยะวงศ์ซึ่งปะซูเป็นโรคเรื้อนเหมือนกันทรงทราบว่าเป็นขติยานีจึงช่วยกัน ร, รักษาโรคเรื้อนจนหายแล้วสมสู่อยู่ด้วยกันพากันไปหาที่สร้างเมืองใหม่ไปได้ที่มีชัยภูมิดีที่ป่าไม้โกละวงเล็บไม้กระเบเา ตั้งวงใหม่ขึ้นชื่อว่าโกริยวงศ์ตำนานเล่าต่อไปว่าในการหาที่สร้างนาครใหม่นี้ทั้งสองได้เดินตามรอยเท้าเสือไปนครนี้จึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าวยากะปัชะแปลว่ารอยเท้าเสือในพระสูตรบางแห่งที่กล่าวถึงชาววยากปัชาก็หมายถึงชาวโกริยะนี่เองการทะเลาะได้ลุกลามใหญ่โตไปเรื่อยๆจนถึงกับ คนใหญ่คนโตของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะพวกราชตระกูลต้องเครียดแคนกันไปด้วยพวกสากยะเราจะพิสูจน์เรี่ยวแรงกําลังของพวกที่อยู่ร่วมสมสู่กับพี่น้องกันเองให้ดูส่วนพวกโกริยะก็ว่าเราจะพิสูจน์เรียลแรงกําลังของพวกคนที่อยู่ใต้ต้นกระเบาให้เขาเห็นทั้งสองฝ่ายเตรียมการรบจะเห็นว่าการเตรียมการรบครั้งนี้มาจากอาหางการมะมัองการ กระทำขึ้นเพื่อเลี้ยงรักษาปมเรื่องของตนมิให้ใครมาลบหลู่ได้วันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงทราบเรื่องพระญาตด้วยพระญาณแล้วทรงดำริว่าถ้าเราไม่ไปช่วยในครั้งนี้พระญาตจะพากันวอดวายสิ้นเราควรไปห้ามพระญาตดังนี้แล้วสเสด็จทางอากาศแต่เพียงพระองค์เดียวประทับนั่งในอากาศท่ามกลาง แม่น้ำโรหินีระหว่างพญาตทั้งสองพญาตได้เห็นพระพุทธองค์แล้วต่างก็วางอาวุธถวายบังคมพระาศาสดาตรัสถามว่ามหาบอพิษทะเลาะอะไรกันพวกข้าพระองค์ไม่ทราบพระเจ้าค่าพญาตทูลดูสิละ่ะทะเลาะกันทั้งทีถึงกับยกพวกมาตีกันแล้วยังไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ใครทราบบ้าง มหาบาพิษพระยาทั้งสองฝ่ายถามไล่เลียงลงไปเรื่อยๆในที่สุดไปทราบจากพวกทานและกรรมกรว่าทะเลาะกันเรื่องน้ำน้ำตีราคาได้เท่าไหร่มหาบาพิษราคาน้อยและเกินพระองค์แล้วกษัตริย์เล่าราคาเท่าไหร่โอ้กษัตริย์มีค่ามากจนเรียกว่าหาค่าไม่ได้พระเจ้าค่าเมื่อเป็นดังนี้เหตุไรท่านทั้งสองฝ่ายจึงเอาสิ่งที่มีค่ามากแลกกับสิ่งที่มีค่าน้อยเล่า พราทั้งสองฝ่ายนิ่งพระศาสดาจึงตัดต่อไปว่ามหาบอ่อผิดเหตุไรจึงคิดจะทำกรรมเห็นป่านนี้วันนี้ถ้าอัตมาภาพไม่มาแม่น้ำโรหินีจะไหลปนกับสายเลือดของกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายท่านทั้งหลายทำสิ่งอันไม่สมควรท่านทั้งหลายอยู่อย่างมีเวรมีภัยส่วนอาตมาภาพอยู่อย่างไม่มีเวรมีภัยท่านทั้งหลายเดือดร้อนอยู่เพราะกิเลสอาตมาไม่เดือดร้อนเพราะกิเลส ท่านทั้งหลายขวนขวายอยู่ในการแสวงหากามมาคุณอาตมาภาพไม่ขวนขวายในการนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีเวรกันอยู่เราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่สบายจริงหนอเป็นอาธิมีนัยยะดังปรนานามาแล้วแต่ต้นยังธรรมกะถาสาายสามันเตหิสันลัเเกตาปาติ ฟังให้ดีๆนะฟังดีได้ปัญญาฟังดีก็จะพ้นทุกข์ฟังดีๆก็จะละกิเลสได้เราจะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นประเสริฐขนาดไหนชี้แนะให้ทุกแง่ทุก ม, มุมเพื่อต้องการที่จะให้เราผู้มีจักษุได้มองเห็นฉะนั้นธรรมะถึงเปรียบว่าเหมือนประทีปสองทางนี่ สำหรับผู้มีจักสุเนี่ยเราชื่อว่าเป็นผู้มีจักสุคำว่าจักสุในทีน่นี้ท่านหมายถึงว่าทุกคนนั้นมีพุท ธ, ธะอยู่ในตัวคือมีธาตุแห่งความรู้ธาตุแห่งผู้รู้มีอยู่ในจิตใจของทุกท่านทุกคนธาตุแห่งผู้รู้นี่แหละท่านว่ามีจักสุเพียงแต่ว่าไม่มีแสงสว่าง มีจักษุอยู่ในที่มืดที่มืดคืออวิชชาหรือโมหะท่านเปรียบว่าคนมีจักษุก็จริงแต่อยู่ในที่มืดนต้องอาศัยประทีปหรือแสงสว่างจึงจะมองเห็นได้นะแสธรรมะจึงเป็นเหมือนแสงสว่างที่ทาให้ผู้มีจักษุได้มองเห็นเนี่แล้วแสงสว่างของธรรมะเนี่ย ทำให้มองเห็นได้ทะลุโปร่ปรงเน่ทั้งสิ่งที่โดยปกติคนเรามองไม่เห็นแต่ธรรมะนี่แสงสว่างทะลุทะลวงจะเรียกว่าทะลุฝาทะลุกำแพงก็ได้เพราะมันไม่มีวัตถุอะไรที่จะมากลางกั้นได้เพราะเป็นเรื่องของปัญญาจักสุเนี่ยที่สามารถมองเห็นเหมือน เราที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ก่อนเนี่ยมันก็มืดจริงๆนะไม่รู้ว่าอะไรเป็นทางแห่งความสุขทางแห่งความทุกข์มีแต่อยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์แต่หนทางทั้งสองแห่งหรือเหตุปัจจัยนําไปสู่ความทุกข์ความสุขก็ไม่รู้เนี่ยก็เลยกลายเป็นทำไปตามอํานาจของความอยากอํานาจของกิเลสเนี่ยเพราะมันมองไม่เห็นเหตุเห็นผลเนี่ย เมื่อเกิดความอยากขึ้นมาได้อํานาจของอวิชชาหรือตัณหาบรรนุนหลังอยู่เนี่ยก็ทําไปพอทําไปก็ผลเกิดขึ้นก็งงเป็นไก่ตาแตกผลเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ก็มองหาเหตุเกิดไม่เห็ น, นหรือสุขเกิดขึ้นมาก็ยังมองหาเหตุของความสุขไม่เจออีกเหมือนกั น, นมันจึงไม่รู้ว่าสุขที่แท้จริงคืออะไรก็มองไม่เห็นนี่ย แล้วทุกที่มันเกิดขึ้นมันมาจากอะไรเนี่ยก็มองไม่เห็นเนี่ยมันจึงวนอยู่ในที่มืดเนี่ยมันจึงต้องสุขสุขทุกทุกเนี่ยซึ่งมันเป็นสุขจริงๆความสุขตอนนี้ถ้าไม่เรียกว่าสุขหรอกเนี่ยท่านกวมีแต่ทุกขเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปเนี่ยท่านไม่เรียกว่าสุขนะสุขที่เราได้รับนั้นมันเป็น เป็นการบรรเทาทุกข์ลงมาหน่อยหนึ่งเท่านั้นเอง <laughs> บรรเทาสภาวะของความทุกข์มาหน่อยเนี่ยเหมือนเราร้อนอย่างนี้เราร้อนก็ไปอาบน้ําสงน้ําเสียเนี่เทน้ําลาดลงไปก็ความรู้สึกว่าเหมือนสุขนี่แต่จริงๆมันไม่ได้สุขมันทุกข์มันยังปรากฏอยู่ในนั้นแหละเนี่ยเพียงแต่ว่าเรามาเปลี่ย น, นยลักษณะของมันให้มันลืมไปเหมือนเรานั่งปลดแข้งปลดขาพิกไปนะ มันก็รู้สึกสบายขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ทุกมันไม่หมดนะทุกยังปรากฏอยู่เนี่ยเพียงแต่ว่าอิริยาบถมันบังไว้เนี่ยมันบังไว้เท่านั้นถ้าอยากรู้ก็เวลาลกยกขาไม่ขึ้นเดินไม่ได้เนี่ยมันก็เลยมีแต่ทุกปรากฏอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่มันที่ว่าเราเป็นสุขเั้นเพียงเพียงแต่ว่าเราเ ปิดบังมันไว้นิดนนหน่อยพอการเคลื่อนไหวของเราเราบังคับได้ของร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าร่างกายเปลี่ยนแปลงไม่ได้โอ้ทีนี้ก็เห็นเลยทุกตลอดเวลาเนี่ยทุกยาวเหลือเกินทุกไม่มีที่ช่องว่างให้ความสุขได้เลยเนี่ยตรงนี้ที่ว่ามันมีแต่สภาวะทุกข์เท่านั้นที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนี่ส่นความสุขโดยเฉพาะสุขทางโลกิยารมนี้ มันจึงมองไม่เห็นว่ามันเป็นสุขจริงๆเลนี่เอเอคือมันบางทีคิดว่ามันสุขแต่มันเป็นเหยื่อล่อให้ทุกข์เพิ่มขึ้นมันก็คิดว่าเป็นสุขเนี่ยที่ว่าอย่างนี้ก็เหมือนกับคนโกรธใช่คนไม่พอใจเนี่ยก็เอาเหยื่อมาเราคิดว่ามันจะสุขใช่เอบอกว่าถ้าได้ทำตามความโกรธนี้ความรู้สึกเขาก็คิดว่ามันคงจะสุขเนี่ยอ่แต่แท้ที่จริงเอาอาหารล่อ ล่อให้มันทุกมากขึ้นล่อให้ไฟมันรุกมากขึ้นเหมือนที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้ น, นี่มันกลับเป็นเชื้อเป็นอาหารใช่ไ ห, ไหมถ้าก็ประมาดีว่าเหมือนขยะใช่ไหมขยะเมื่อมักหมมสะสมมากมก็กลายเป็นปุย๋ย <c oughs> เป็นปุย๋ยนี่ให้เจริญงอกงามให้ต้นไม้เจริญงอกงามเมื่อใบมันร่วงลงมาหมักหมมเนา่าสุดท้ายก็กลายเป็นปุย๋ยก็ให้ต้นไม้น่าหลังงามนี่ ก็เปรียบเทียบดีกิเลสก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อกิเลสเมื่อไม่มีธรรมเข้ามายับยั้งเนี่ยก็คิดว่าจะให้กิเลสนั้นหรือให้มันให้มันเกิดความสุขนะจะดับกิเลสนั้นแต่เอาเชื้อของกิเลสเข้ามาเป็นอาหารของมันหมักหมมเขานะี่มันก็เน่าเน่าแล้วก็เป็นอาหารของกิเลสกิเลสก็จเจริญขึ้นอีกเน่าทับถมลงอีกโอยมันก็เหมือนให้ปุ๋ยตลอดเวลาเมื่อโตขึ้นใหญ่โตขึ้นเมื่อโตขึ้นก็กลายเป็นพยาบาท เป็นการจองเวรผูกเวรนมะล่ะมันก็ยาวขึ้นเพราะมันมีปุ๋ยเ่แต่ถ้าธรรมะจริงๆท่านให้ระ ง, งับดับร้อนถ้ามันจิตมันมีโทสะขึ้นมาก็ให้ตัดไฟแต่ต้นลมนั่นก็คือหัดเจริญเมตตาเ่ต้องฝืนฝืนเจริญเมตตาจิตเนี่ย ก็คิดให้มันแยกคายคิดเหมือนที่ท่านแนะนำท่านบอกเนยะมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีเราไม่มีเขาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากที่เมื่อกี้ที่เราฟังเป็นศับธรรมะเป็นภาษาบาลีว่าอาหางการ ม, มังการใช่ไหมมันเกิดจากตัวนี้ถ้าพูดภาษาเราก็เรียกว่าความสำคัญความสำคัญว่าเรานะหรือของเราเนะียความสำคัญตัวนี้มันทำให้ กิเลสที่ไม่เกิดมันเกิดขึ้นมาเพราะมันมีอัตตามีตัวตนแล้วมันเป็นสิ่งที่ละได้ยากมากนะเราสังเกตไม้มไม่ต้องสังเกตคนอื่นก็สังเกตที่เราก็ได้นะี่หรือถ้าเราไม่เห็นก็มองคนอื่นก็ได้นะี่แม้มีธรรมะได้ยินธรรมะมันก็ยังเอาไม่อยู่นะี่เอาไมา่อยู่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยการที่จะมองเห็นามานะหรืออัศมิมานะ หรือคำว่ายึดว่าเราของเราเนี่ซึ่งเป็นตัวตนนี่โห้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนี่ยไม่มีอย่างงตัวมันทนท้ออยู่นี่ตั้งอยู่ทนท้อจะไม่มีได้อย่างไรเถียงเลยเถียงธรรมะนี่ไม่มีเราแล้วใครเป็นคนสเสวยใครเป็นคนรับรู้ล่ะมันก็เถียงไปย่งนีกินแล้วใครอิ่มร้อนใครร้อนหนาวใครหนาวแล้วไม่ว่าไม่มีตัวตนได้อย่างไรเนี่ยคิดไป เนีถ้าเก่งจริงก็ลองดูแต่มันเป็นตัวตนจริงเนี่ยที่เสือร้องเป็นตัวตนจริงหรือเปล่านี่แท้ที่จริงคนดูจริ ง, รงมันไม่มีไงเนี่ยมันไม่มีแม้เราเขาก็ไม่มีเนี่ยแล้วเราซ้ํากันผิดนี่แล้วมันมีจริงหรือเปล่านะสุดท้ายมันก็ไม่มีจริงเนี่ยเราจะยึดอย่างไรมันก็ไม่จริงเนี่ยเนี่ยสุดท้ายมันก็แตกสลายไปนเนี่ยท่านว่าเป็นสิ่งที่ประชุมกันขึ้นเท่านั้นเองตามเหตุตามปจนะัจจัยเนี่ย แต่เราก็เอากิเลสมายึดมั่นไหมมั่นเนี่ยว่าเป็นเราจริงๆว่าของเราจริงๆนสุดท้ายแม้แต่ตัวของเราที่ว่าตัวเราเองเนี่ยมันยังไม่ใช่ของเราเลยเอ้าวถ้าว่าถ้าว่าเป็นของเราจริงนะเราบังคับได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้อีกเ น, นี่ยนี่เาบอกถามย้อนกลับเข้ามานี่ถ้าว่าเป็นของเราเนี่ยมันก็ต้องใช้ได้บอกฟังติเนาะ เหมือนอะไรที่ว่าเป็นของเราอะไรนี้เราบังคับได้นี่นี่อันนี้มันบังคับไม่ได้โดยเฉพาะมองเข้ามาใกล้ตัวที่สุดนี่นี่ทุกคนนี้ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนี่ถ้าว่าเป็นตัวตนจริงๆนะห้ามมันได้ไหมไม่ให้มันแก่ได้ไหมไม่ให้เจ็บได้ไหมไม่ให้ตายได้ไหมนี่แบบง่ายๆถามง่ายๆเลยลเนี่เมื่อมันห้ามไม่ได้แล้วตรงไหนที่ว่ามันเป็นของเรา เป็นตัวเราและอนนี้เป็นปัญหาคิดหนักเหมือนกันเนี่ยภาวนาทั้งคืนก็มันไม่ตกเหมือนกันนะมันไม่แจ้งเลยแหละเอ่เอาหลายวันเถียงกันอยู่เถียงกับธรรมะเนี่ยเถียงเถียงจนมันไม่มีจริงๆนะมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเถียงไปเถียงมาสู้ท่านไม่ได้จริงๆนะลองดูก็ได้นี่แต่ว่าจริงนะเออบางทีมันซ้อนกันอยู่มันลึกลับซับซ้อนเหมือนกันเนี่ย ให้ท่านบาไม่ใช่กแล้วทําไมใครปวดปวดแข้งปวดขาปวดนโดน่นปวดนี่นะมันไม่ใช่เราเลยนะี่ยก็นั่นนะสิบางทีมันก็ อ, อนุโลมตามมันก็นั่นนะสิทำไมท่าะทําไมมันปวดนี่นี่ก็เราปวดนี่อ อ, อมันก็จะเถียงลักษณะนี้อ้าถ้า่าถ้าว่าเราจริงๆถ้าเป็นของเราจริงๆอะทาไมเราไม่ห้ามมันนะเ อ, อก็ต้องห้ามมันดูสิ ถ้ามันปวดก็อย่าให้มันปวดสิเหมือนก็ซ้อนกันอยู่ตรงนี้เลยถ้าเป็นของเราก็อย่าให้มันปวดสิแล้วบอกมันได้ไหมมันก็ไม่ฟังเนี่ไม่ฟังก็แสดงว่าเขามีอํานาจของเขาเขาไม่เชื่อเราเนี่ยถ้าเขาไม่เชื่อเราเราก็ไม่มีอํานาจเดี๋ยวเขาก็จะไม่ใช่ของเราสิถ้าเป็นของเราเราก็บอกได้อย่างลูกของเราเออมานี่ลูกไปโน่นหน้าลูกเอทำอันนี้หน้าลูกมันก็ยังพอบอกได้อันี้มันไม่ฟังเลย นี่ว่าไม่ฟังมันใช่ของเราไหมล่ะนี่ก็เป็นปัญหาเลยนี่มันต้องเถียงกันอีกนานเหมือนกันเนีเถียงยังไงก็สู่ท่านไม่ได้เนี่ยถือว่าสุดท้ายมันก็ไม่มีตัวตนจริงจริงเมื่อไม่มีเราไปยึดมัน่นไหมไหมมัมม่นให้มันทุกข์ทำไมเนี่ยเราก็ทําให้เกิดอัศมิมาเกิดมานะอว่าเราพอมีคําว่าเราปุ๊บเนี่ยมานะตัวอื่นๆมันก็เกิดขึ้นมาเนี่ยสําคัญมั่นหมายขึ้นมาอ พอมีเราปุ๊บนี่แหม่อะไรก็เขาทำให้เราอ น, นั้นของเรามาทำของของเราเนยมันก็ขยายตัวออกไปเยอะตัวเราก็ยังพอแรงแล้วยังไปว่าของของเราเนี่ยมันทำของของเราเนี่ยมันทำคนของเราเนี่ยมันทำสิ่งนั้นของเราเนี่ยมันไปกันมันลามออกไปอย่างนี้มันก็เลยโอ้ยมานะมันก็เพิ่มขึ้นนี่เพิ่มขึ้นขยายตัวโดยที่เราก็ไม่รู้สึกเหมือนกันนะ เันเห็นใหม่เมื่อมันมากขึ้นท่านบอกว่าการที่จะถอนมันนะนี่ไม่ใช่เรื่องการถอนได้ง่ายๆนี่ท่านนึกว่ายกภูเขาทั้งลูกมันยังง่ายกว่านะมันก็ขุดภูเขาเขาเชิงเทียนที่ชนบุรีนะตอนมาอยู่ใหม่ๆนึกว่ามันลูกใหญ่เริ่มนะีค่คิดว่ามันจะไม่หมดตอนนี้เรียบเลยขุดลงไปใต้พื้นอีกต่างหากนะี่นี่ก็เลยนึกว่าท่านถึงว่าภูเขาทั้งลูกย้ายอย่างง่ายกว่านะี่ แต่อัสมิมานะหรือมานะนี่ยโอ้จะย้ายมันย้ายยากกว่านั้นเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดเ่เป็นเรื่องจิตใจที่จะต้องภาวนาเนะผมจนคิดว่าแต่ก่อนเราก็เป็นกันหมดอนะ่ะเนาะเมเดียวนี้จนคิดว่าโอ้ยคนที่เสนอสนองกิเลสนี่คือโลกโกรธหลงก็ดีนี่แสดงว่าไม่ได้ภาวนาเลย ผมอยากจะใช้คำนี้เลยนี่เพราะมันเกิดขึ้นกับตนเองเนี่ยนี่ถ้าเราเผลอปุ๊บถ้าเราจะโกรธใครสักคนหนึ่งแสดงว่าเราไม่ได้ภาวนาเนี่เมื่อรู้ว่าความโกรธดีไหมถ้าถามเนี่ยบอกว่าไม่ดีแล้วไม่ดีทำไมต้องไปเอามันไว้รักษามันไว้นี่นี่เราถ้าไม่ได้คิดอย่างนี้เราก็ส่งเสริมมันแสดงว่าเราก็ไม่ได้ภาวนาเนี่ยเราจะเรียกว่าเราปฏิบัติได้อย่างไรถ้าเราปฏิบัติเราก็ต้องละที่ มันไม่หมดก็ต้องพยายามละหรือไม่หมดก็ข่มมันไวส้สิก็ขันติอดไว้สิธรรมข่มไวส้สิจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าขันติใช่ไหมเนี่ยพูดแล้วพูดอีกเนี่พูดอยู่เป็น10บสปีแล้วเนี่ยขันติที่รัสลังการโลใช่ไหมภาษาพระเจ้าว่าวขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราศเนี่ย คันติเป็นกำลังของสมเนธนี่บางทีเราลืมเ น, นะนี่ถ้าไม่มีคันติก็หมดกำลังหมดกำลังแล้วอะไรเข้ามานะนน ก, กำลังของความโกรธมันก็เพิ่มขึ้ น, นพยาบาทก็เพิ่มขึ้ น, นขึ้นจนลืมตัวเอง ล, ลืมความเป็นตัวตนเรียกว่าที่เป็นสมนลืมไปหมดเลย สัมเนธสัญญาหายไปหมดเนี่ยหรือเป็นผู้ปฏิบัติก็ความรู้สึกว่าเป็นผู้ปฏิบัติก็หายหมดเนียหายจนกล้าพูดออกมาแบบไม่อายเลยว่าธรรมะเอาไว้ก่อนผมนี่เคยได้ยินมาแล้วนะเวลามันคือนโอ้ยมันแรงขนาดนี้น่ากลัวมากเลยฮะนี่เวลามันแรงมากๆอย่าเพิ่งพูดเลยธรรมะธรรมะเอาไว้ก่อนตอนนี้ไม่ต้องเอาขนาดโอยก็หมดไม่ต้องพูดกันแนละ้วนอทปา น, นี้แล้วปล่อยให้เขาเถอะเอา ได้เห็นว่ามันดีก็บูชามันเถอะเอาทูนไปศีษะเถอะมันขนาดนั้นครับมันไม่ใช่ธรรมดาเนะี่ยฉะนั้นบนรรพชาหรือการปฏิบัติเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นอุบายจะใช้คําว่าอุบายก็หมายความว่ามันมีอยู่ในใจนั่นแหละแต่เป็นอุบายเป็นอุบายเพื่อเตือนใจอย่างนั้นเราก็เตือนใจว่าเออเนี่ยเราปฏิบัตินะอย่างน้อยเราก็ต้องมีอยู่เราก็ต้องอดกั้นอดทนนะ ต้องอดต้องทนเนี่ยนี่ความอดทนนี่มันจะทำให้เราได้สติไงจะทำให้เราได้สอดส่องมองเห็นว่าโอ้มันโทษมากนาะอนี้ถ้าเราไม่อดทนเนี่ยตายเลยเนี่ยถ้าเราไม่ทนนะถ่าขาออกไปแล้วมือออกไปแล้วปากออกไปแล้วมันแก้ยากเลยแก้ยากมาเสียใจร้องไห้ทีหลังโอ๊ยกูวไม่น่าเลยเนาะต้นเองทําล้วก็ตนมาเดือดร้อนเองเนี่ย สุดท้ายก็เบียดเบียนตนดังที่ผมพูดอยู่บ่อยๆว่านี่เพราะเราเผลอเราสนองมันสุดท้ายเราไม่มีใครทำเราแต่เราทำเราเองเนี่เราทาอาวุธคมฟันคนอื่นไม่ได้กับฟันตนเองแทงตนเองฆ่าตนเองแนี่ทไมไม่คิดนะี่ันน่าจะคิดแต่ทำเขาไม่ได้ก็เบียดเบียนตนเองนี่บางทีมันก็ละอายเนี่ย แม้แต่ความคิดคิดเหม่มันแค้นอยู่ในใจมันจะฆ่ามันหาว่าจะฆ่ามันเอน๋มันเอามีดคมๆเสียบกลับมาแทงตนเองเลยเนี่ยก็ทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยหาความสุขหาความสงบไม่ได้เนี่ยแต่การข่มนั้นดีถ้ว่าอย่างน้อยให้เราได้คิดโอ้นี่ทําใม้เราเราไม่รักตนหรือเราทั้งเบียดเบียนตนเนี่ยเราคิดว่าจะทําคนอื่นแต่เราลืมซะว่า เรากำลังจะทำลายตนเองเรากำลังจะเบียนเบียนตนเองเะเราจะหาความสุขไม่ได้เนี่ยนี่เมื่อกี้เราฟังธรรมะท่เออเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยเรื่องของเราก็คือเรื่องของเราเนี่ยเรื่องของเขามาใส่เรื่องของเราทำไมอย่าเอามาปนกันเ่านบอกเขาโกรธก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่สอบก็เป็นเรื่องของเขาเนี่ยเราไม่ได้ไปกินข้าวเขาเนี่เนาะ Fasc, <taraf> ไม่ได้อยู่บ้านเขานี่กดเรื่องของเขาช่างมันเปไร เราก็มีบ้านของเราอยู่นี่มีที่อยู่ของเรามีข้าวของเรากินมีอะไรของเราเนีปล่อยก็เถอะช่างมาเถอะนี่นั้นเป็นอุบายเนี่ยนะหรแต่เป็นอุบายเนี่ยแต่คิดแยบคลายพว่าโอ๊ยมันแป๊บเดียวมันก็ลงแล้วนี่มันไม่ได้หนักหนาอะไรหรอกนี่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจในธรรมะเฉยๆถ้ามีธรรมะมันก็เย็นเท่านั้นแหละ น, นี่ก็รธรรมะเหมือนน้ํานี่นทําให้เย็นนี่ พราะว่าผู้ที่ฝึกจิตดีเนี่ยยิ่งเห็นอ น, นั้นยิ่งเย็นลงยิ่งสงสารยิ่งมีแมตธรรมะยิ่งเกิดได้เพราะมันอยู่สนามรบไงยิ่งสติยิ่งมากขึ้นปัญญาก็จะใช้มากขึ้นเนี่ยถ้ายังไม่มีเหตุการณ์อะไรมันก็ธรรมดาเฉยๆเนี่ยแต่ว่าผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเนี่ยเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยการฝึกตนนั่นแหละมันได้เอาออกมาใช้เนี่ยเหมือนเรามี อาวุธมีมีด ม, ม, ม, มีอะไรคมๆเก็บไว้เนี่ยพอถึงเวลาจะใช้ก็สบายใจเลยจับมาฟันมาตัดมาถากมาทาั้งนี้โอ้สบายนี้นี่แฟนผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเนี่ยยอมนําสุขมาให้เนี่ยไม่สะทกสถา น, นกับแต่มันไม่ใช่ไปรังเกียจอะไรกับความเมตตามจะมากขึ้นความสงสารจะมากขึ้นเนี่ยยิ่งเห็นคนเขาเป็นมันน่าสงสารก็มากกว่า ในขณะที่เขาร้อนขึ้นเราเย็นลงมันจะกลับกันเลยเนะี่ยถ้าเราคิดถูกนะถ้าเราคิดไม่ถูกก็เท่ากับซุมกองไฟสองกองเนะี่ยมันลุกโผลงขึ้นมอดไหมไปทั้งสองกองเลยทั้งสองเชื้อว่างั้นแต่เชื้อท้งโน้นก็ไหมทางนี้ก็ไหมมันโยนใส่กองไฟเนะี่ยมันจะเหลืออะไรนะี่ยไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝนะ่ายเนี่ยเราก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เนะี่ยสิ่งที่ได้คือเป็นเวรต่อกัน <laughs> ไปต่อไปเนะี่ย นี่ถ้าเราคิดลักษณะนี้มันก็จะอ่อนตัวลงนี่เป็นผู้ไม่มีเวนเป็นผู้ไม่มีภัยนีย่เห็นไหมถ้าสวดสวดแล้วถ้าเราไม่เอามาคิดว่าแค่นั้นแหละนี่เอขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขข้าพเจ้าจงพ้นจากทุกข์จงเป็นผู้ไม่มีเวนจงพิจไม่เบียดเบียนซึ่งกันและ ก, กันเนี่ยเห็นไหมนี่แพร่ให้ตนเองก่อนทั้งนั้นเลยนี่เนี่ยเป็นผู้ รู้จักรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเนี่ยนี่หรือสัพเพสตาทีเนี่ยสคอสต์ทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงสุขเนี่เวลานั้นเราต้องใช้หนึ่งเมตตาตนเองก่อนปุ๊บพอจิตใจอ่อนโยนขึ้นมาก็เมตตาคนอื่นสัพเพสตาเลยเนี่ยมันก็เย็นเย็นเราแล้วเย็นเขาถึงเขาไม่เย็นเราเย็นมันก็เย็นเองอะ่ะมันไปไม่ได้นานหรอกเนี่ถ้ามัน ทำอยู่ข้างเดียวมันทำได้ไม่นานหรอกถ้าสองข้างมันต่อกันไปเรื่อยมึงต่อนี่กูต่อนี่มันยาวไปเรื่อยเลยไม่จบเออถ้าทำอยู่ข้างเดียวสุดมันจบเป็นนี่หลวงพ่อชาท่านเคยเทศใช่ไหมอะไรนะว่ากรรมมันจบเป็นเเวนมันจบไม่ได้เกรรมมันจบเป็นแต่เวนมันจบไม่ได้เนี่ย กรรมคือการกระทำเนี่ยถ้าไม่ผูกเวรมันจบเป็นมันถึงมันจะมีโทษบ้างมันก็จบได้สั้นๆไม่ไม่ยาวนักเหมือนกับว่าเราอาจจะไปชนกันกขอโทษครับเพราะไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมนั่นคือกรรมนี่ยกรรมคือการกระทําที่มันกระทบกันเนี่ยแต่โอ้ยไม่ได้คือมันเป็นการจองเวรทันทีเลยนี่นี่นั่เวรจึงไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่จะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรนี่คือเป็นอโหสิกรรมกันไปเนี่ยถ้าไม่อโหสิกรรมถึงอ้าถ้าเขาไม่อโหสิกรรมถ้าเราหยุดก็จบเหมือนกันนี่จบเหมือนกันแต่กรรมมันจบเป็นก็คือถ้าถ้าเขาอยากแก้แค้นเขาก็ต่อยเราเสเราไม่ต่อยคืนเอาเอาซะพอหรือยังไม่พอเอาเอาหัวไปให้อีกผมประทับใจอาจารย์สุจิตโตผมก็อาจจะเล่าให้ฟังบ้างแล้ว เราให้ฟังที่ว่าไปอินเดียนะเอายกมือให้เหมือนฟันเนะยโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาเลยครับอืแต่ว่าแขกมันมาแยง่งเอายบริกานหมดเหลือผ้านุ่งผืนเดียวผ้าอาบน้ําเท่านั้น อ, อขนาดนะั้นมันยังจะทำลายอีกยกขวานจะฟันหัวก็ไม่มีผมด้วย <laughs> พอมันยกขวานขึ้นมาท่านเดินเข้าไปยกมือก้มหัวให้เลยไหว้ด้วยก้มหัวให้มันฟันเนี <laughs> ่ย เห็น่ท่านยอมมนกันนั่นนั่นสุดท้ายมันก็ไม่กล้าฝันเห็นไหมนี่นี่มันกรรมเนี่ยมันจบเป็น่องถ้ามันอยากทำเอ้าอยากทำก็ทำให้สมใจให้สะใจแล้วก็ไปจบกันเสีจะเคยมีกรรมมีเวรกันมาแต่ก่อนก็เอาไปเถอะนี่ความรู้สึกอย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาเนะผมว่าใจที่กล้าหารเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเนี่ย มีที่ไหนเนาะมึงยกขวานมากูจะขอนมันกันด้วยเอาสิมันจะแหลกกันไปใครดีใครอยู่นั่นคือกิเลสไงนี่อันนี้ท่านเป็นผู้สงบแล้วระงับแล้วท่านจะไม่มีเวรถ้าเขาจะมีเวรก็คืว่าถ้ามีเวรต่อกันก็เอาก็ให้มันจบไปเสียนี่ถ้ามันไม่เคยมีเวรมันก็ไม่เอาเหมือนกันแหละนี่เหมือนหลวงพ่อชาพูดทิศตนให้เสือมันกินซะ บอกว่าถ้าเรามีเวรต่อกันก็กินซะชาตินี้เราอุทิศให้ต่อไปอย่ามีเวรต่อกันอีกเรายอมเสียสละนี่มันก็ไม่กินเลยแสดงว่าไม่เคยมีเวรต่อกันนี่บางทีถ้าเราจบบางทีมันก็จบเลยนะถ้าเราจบเขาไม่จบมันก็ไม่นานครับมันก็ไม่นานเหมือนกันเนี่เพราะเราเป็นผู้จบเนี่เขาก็อาจจะเก็บไว้นานหน่อยเท่านั้นแหละบางทีเป็นปีนะหลายปีก็มีผมยังเคยเล่าให้ฟังนะ โยมเขาฝูกพยาบาทอาคาดผมเลยแต่ว่าเราก็ไม่มีอะไรกับเขาเนี่ยเจอหน้าที่ไหนก็โอสบายดีไหมยโยมถามอยู่เรื่อยสบายดีไหมเขาก็ก็บฟัดก็เฟียดลทุกครั้งนี้มันยังโกรธอยู่นะยังไม่พอใจฝังลึกแต่ความพยายามนี่มันก็เอาชนะเขาได้เหมือนกันนตั้งสองปีเลยวันที่จะ ช น, นะนั้นเราก็ปกติของเราก็เราก็ไม่ได้อะไรเขาเขามีทุกพอมีทุก์เราก็สงสารเนี่นั่งอยู่เข้ามาวัดเนี่ยนะเนื่องจากเขาไม่พอใจก็เขาไม่ได้มาคุยด้วยแต่ว่าแฟนของเขาไปคุยกับอาจารย์นหนึ่งเห็นนั่งอยู่ตั้งดึกแล้วนี่ยประมาณจะสี่ทุ่มแล้วนี่แหละกลางคืนด้วยนะวันนั้นวันอาทิตย์ เราทำโน่นทำนี่ไปแล้วออกมาเลยเขาก็นั่งอยู่คนเดียวซึ้งเนนึกสงสารเขาก็เลยเดินลงมามาทักยโย<อ>มเป็นไงสบายไหมหรือเป็นไงเท่านั้นน้ำตาไหลเล ย, เลยน้ำตาไหลคานเข้ามาเนี่นอเอขาบอกว่า อ, อกว่าโยมนี่บาปจริงๆนะเขาบอกเ น, นเอกว่าอาจารย์ พยายามที่จะแผ่เมตตาให้เลยเราก็เก็บความไม่ดีความเศร้าหมองเอาไว้นี่นี่เป็นปีเป็นอะไรนี่ทุกมากเลยเขาบอกทุกมากเนี่ยทีนี้มันทุกซ้ำสองก็คือว่าคนอื่นนําทุกมาให้อีกเนี่นี่บางคนเลยทุกหลายเรื่องเข้ามาสมอยู่ในจิตใจเนี่ยี่พอเราแสดงความเห็นใจเนี่ยสงสารขึ้นมาเนี่ยจิตใจเขามันก็อ่อนอ่อนโยนขึ้นมาเนี่ยนีครับบอกโอ้ให้ต่อไปนี้เขาจะไม่เอาอีกแล้วเน การที่โกรธกับโกรธพระโกรธอะไรนี่มันบาปจริงๆก็บอกบาปอยู่ในใจเขาบอไม่เอาอีกแล้วเขบอกอตั้งแต่นั้นมาก็ดีเลยเนี่ ย, ยนั่นคือพาสิทิที่ว่าเอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธก็คือเมตตานั่นแหละเนี่ยอุตภาสิทธิวัฒเจ้าท่านตัดเอาไว้เนี่ยชนะคนตน่นีด้วยการให้คนตน่หนีชนะด้วยการให้องจริงนะ ใครจะนี้มากมากเลยให้เขาไปเลย อ, อย่าไปเสียดายให้ให้บ่อยๆแล้วมันแพ้เองนะ <laughs> อยากได้มากโอ้โยมพออย่างเอาไปที่นี่ก็เอาไปที <laughs> ่ให้มันไปเรื่อยๆเลยอยากได้เท่าไหร่ให้มันไป <laughs> เดี๋ยวก็ชนะหลงคิดได้เองนะนอ่มันก็จะถ้าคิดไม่ได้มันก็กรรมเองเนาะ <laughs> กรรมของมันมันออมันจะทําอยู่งั้นได้ตลอดเลย <laughs> ถ้าคนมันมีจิตมีใจนะ <laughs> อย่างนี้น่าจะเกิดความละอายบ้างแหละ <laughs> นี่นก็คือ เราอาศัยธรรมะมีธรรมะรักษาใจผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในี่ยธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเราก็ต้องไม่ลืมสิ่งนี้แหละมีอะไรเกิดขึ้นความทุกข์เรื่องอะไรก็ตามก็นึกถึงธรรมมันจะสบายใจมากเนี่ยแม้มันทุกข์ก็นึกถึงธรรมอ่าท่านว่าจริงนอโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยมันต้องเจอโน่นเจอนี่กระทบนั่นกระทบนี่อยู่ตลอดเวลาเพราะมันโลกไง ก็เรายังไม่ได้พ้นจากโลกนี้เมื่ออยู่ในโลกก็จะมีแปดเปื้อนบ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้ามันรู้มันจริงๆถึงมันจะโศกปลกขนาดไหนมันก็ไม่แปดเปื้อนนะทีนี้หลวงนู่ตาเจ้าธนุกะพระมหาสุบินข้อที่ว่านี้เราเดินไปบนกองอุจละเท่าเขาหิมวั น, นแต่ว่าอุจจละไม่แปดเปื้อนพระบาทเล ย, เ, ยเป็นปิศ น, นาเใช่ไหมนี่ โลกนี้ท่านว่ามันสกรปรกขนาดนั้นแหละนี่ผู้ที่ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเหยียบไปตรงนั้นก็โดนตรงนั้นน่แปดเปื้อนไปมดเนี่นั่นเป็นปุกะลาทิฐานเนี่ยเข้าป้ายสีอะไรให้มาก็โดนมดเปื่อนมดเนี่พอพื้นมันซับเอาเลยเนี่ถ้าพื้นเราขัดดีๆอย่างนี้มันอะไรมันซึมเข้าไม่ได้เนี่ยเหมือนในนี้เราขัดไว้เนี่ย น้ำมันไม่จะมีน้ำเปียกน้ำอะไรถ้ามันเคลือบไว้ดีๆมันไม่ซึมเข้าไปถึงเนื้อในเนี่ยเช็ดออกก็ง่ายปัดออกก็ง่ายหลุดออกง่ายมากเลยจิตใจผู้ที่มั่นคงมีธรรมะก็เหมือนกันน่เหมือนไม่ได้แปดเปื้อนอะไรง่ายๆหรอกเนี่แม้มันจะหล่นใส่อยู่มันก็ไม่เปื้อนนี่บางอย่างมันไม่ติดเลยจริงๆนะเหยียบไปมันก็ไม่ติดเลยนั่นคือผู้ที่มีธรรมมีปัญญา เพราะว่าการปฏิบัติมันก็ไม่ได้ลึกอะไรมากมายเพียงแต่เร า, เานึกถึงธรรมบ่อยๆอยู่กับธรรมบ่อยๆทรรเตือนใจราบ่อยมันก็จะทำให้กิเลสลดลงแน่นอนเนี่ถ้านึกถึงธรรมโลภ ก, ก็ลดลงโกรธก็ลดลงปฏิบัติมันไม่เพิ่มขึ้นหรอกกิเลสนะี่ยถ้าปฏิบัติถูกนะถ้าเพิ่มขึ้นให้เข้าใจว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องไปปรับปรุงใหม่แก้ไขใหม่นีถ้าปฏิบัติแล้วมันลดลงโอ้พื้มใจตนเองโอ้ดี มาปฏิบัติแล้วความอยากลดลงกิเลสลดลงแหมปลื้มใจด้วยธรรมะเนี่ยนั่นได้ว่ามันถูกทางนี่ถ้าเพิ่มขึ้นนี่ยมันไม่ใช่แน่นอนไม่ต้องไปถามใครหรอกถามครูบาอาจารย์ก็ไม่ต้องถามนี่ยดูในใจตนเองมันเพิ่มขึ้นโอ้ไปปฏิบัติใหมเธอแสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกเนีสนัญญาอย่าเอารูปแบบนี่มาเป็นเครื่องหมายล่อให้ตนเองดีใจเนยภูมิใจว่าเราได้ ใส่เครื่องหมายเครื่องแบบนี้มันไม่ใช่เลยมันต้องเจาะเข้าไปถึงใจนั่นต้องดูใจมันละได้มากน้อยแค่ไหนละโลภ ก, กดลงหรือเปล่านี่มีความทยานอยากอะไรบ้างอยู่ในนั้นนะนั่นแหละปฏิบัติแก้ไขตรงนั้นขัดเกาตรงนั้นบำเพ็ญตะบะเพื่อขัดเก่าก็คือการขัดเก า, เ ก, ากิเลสเนี่ยหันดูดูเรื่อยๆผ่านไปหลายวัน หรือเป็นเดือนเนี่ยก็ลองถามดูเลยแล้วเราเป็นยังเยอะอยู่ไหมกิเลสยังเยอะไหมถ้าเยอะเอาหาทางไม่ได้นี่เราต้องใช้โอกาสนี่ยเวลาของเรานี่มันมีแล้วพร้อมแล้วนี่ยเราต้องปฏิบัติละให้ได้อย่างน้อยให้มันเบาบางลงไปมันจะได้เกิดอานิสงส์คือบุญเือกูลสนไงนี่ยถ้ามันเพิ่มขึ้นไม่ได้อานิสงส์แน่นะอถ้ามันลดลงโอ้ลดได้นอกก็ดี ภูมิใจดีขึ้นมาหน่อย น, นี่ก็ยังดีนดะนี่เรีวยกว่าปฏิบัติถูกทางก็ยอมได้รับอานิสงอพอสมควรแก่เวลา